จิตคือพุทธะพุทธะก็คือจิตนอกไปจากจิตแล้วจะไม่มีพุทธะที่ใดอีกและนอกไปจากพุทธะแล้วจะไม่มีจิตที่ใดอีกเช่นกันคำสอนที่เป็นดั่งกระแสเลือดบรั s t r e a m ซี ทุกๆสิ่งที่ปรากฏในสามภพนี้ล้วนมาจากจิตดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตล้วนสอนด้วยการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตโดยไม่ได้ยึดติดในรูปแบบอันตายตัวใดๆแต่ถ้าท่านไม่ได้กำหนดรูปแบบตายตัวสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายทอดโดยจิตจะหมายถึงอย่างไรเล่า เมื่อเธอถามนั่นคือจิตของเธอเมื่อฉันตอบนั่นจิตของฉันถ้าฉันไม่มีจิตฉันจะตอบได้อย่างไรถ้าเธอไม่มีจิตแล้วเธอจะถามได้อย่างไรนั่นคือการถามก็คือจิตของเธอตลอดเวลานับกับการไม่ทวนโดยไม่ได้มีจุดเริ่มต้น ไม่ว่าเธอทำอะไรอยู่ที่ไหนนั่นคือจิตแท้ของเธอนั่นคือพุทธะที่แท้ของเธอจิตนี่แหละคือพุทธะนอกจากจิตนี้แล้วเธอจะไม่สามารถพบพุทธะที่ไหนอีกการสแสวงหาวิมุติภาวะอันบริสุทธิ์หรื อ, อนิพพานภายนอกจิตนี้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ความจริงแท้ของธรรมชาติของเธอเป็นสภาวะที่ปราศจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งซึ่งก็หมายถึงจิตหนึ่งนี้จิตหนึ่งนี้แหละคือนิพพานเธออาจคิดว่าเธอจะสามารถพบพุทธะหรือวิมุตติภาวะในที่บางแห่งนอกจิตแต่มันไม่ได้มีเพราะนิพพาน มันสมบูรณ์อยู่แล้วในจิตเองการพยายามควานหาพุท ธ, ธะหรือวิมุตติภาวะเปรียบเหมือนการพยายามจับความว่างความว่างมีเพียงชื่อแต่ไม่ได้มีรูปร่างมันหาใช่สิ่งที่เธอจะหยิบยกวางลงหรือจับมันนอกไปจากจิตหนึ่งนี้แล้ว เธอจะไม่พบพุทธะที่ไหนได้เลยพุทธะนั่นละ่ะคือจิตยายต้องมองหาพุทธะภายนอกจิตเล่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตหรืออนาคตก็ล้วนแต่พูดเรื่องจิตหนึ่งนี้เท่านั้นจิตคือพุทธะพุทธะก็คือจิตนอกไปจากจิตแล้วจะไม่มีพุทธะที่ใดอีกและนอกไปจากพุทธะแล้ว จะไม่มีจิตที่ใดอีกเช่นกันถ้าเธอคิดว่ามีพุทธะภายนอกจิตท่านอยู่ที่ใดเล่ามิได้มีพุทธะใดาอีกภายนอกจิตทำไมไม่ตื่นแจ้งต่อสิ่งนี้เธอไม่สามารถที่จะรู้จักจิตแท้ของเธอได้ตราบที่เธอยังลวงหลอกตัวเอง ตาบที่เธอยังหลงไหลเป็นธาตุในรูปที่ไร้ชีวิตเธอไม่มีทางเป็นอิสระถ้าเธอไม่เชื่อฉันการหลอกตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของพระพุทธเจ้าเลยผู้คนล้วนตกอยู่ในความหลงเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าแท้จริงแล้วจิตของเขานั่นละ่ะ คือพุทธะมิฉะนั้นแล้วเขาก็คงจะไม่มองหาพุทธะภายนอกจิตที่ไหนอีกเพราะพุทธเจ้ายอมไม่ต้องรักษาพระพุทธเจ้าถ้าเธอใช้ใจของเธอมองหาพุทธะเธอจะไม่พบพุทธะได้เลยตราบใดที่เธอมองหาพุทธะในที่อื่นเธอก็จะไม่เห็นเลยว่า จิตของเธอนั่นแหะคือพุทธะอย่าใช้พุทธะบูชาพุทธะอย่าใช้จิตอ้อนวอนหาพุทธะพุทธะไม่ท่องบ่นสูตรใดๆพุทธะไม่ต้องรักษาศีลและพุทธะก็ไม่ละเมิดศีลพุทธะไม่ต้องรักษาหรือละเมิดสิ่งใดๆพุทธะไม่ต้องทําดีหรือทําชั่ว เพื่อที่จะค้นหาพุทธเธอต้องสังเกตธรรมชาติของเธอเองผู้ที่สังเกตธรรมชาติแท้จริงของตนคือพุทธถ้าเธอไม่สามารถเห็นธรรมชาติแท้ของเธอได้การอ้อนวอนหาพุทธการท่องบนพระสูตรใดๆการสักการะบูชาการรักษาศีลเหล่านี้ล้วนเปล่าประโยชน์ วอนหาพุทธะมีผลให้เกิดกรรมดีการท่องบนพระสูตรมีผลให้เกิดความจำดีการรักษาศีลมีผลให้เกิดชาติใหม่ที่ดีการทำการสการะบูชามีผลให้เกิดความสุขในอนาคตแต่ทั้งหมดมีอาจพบพุทธะได้เลยถ้าเธอไม่สามารถเข้าใจมันด้วยตัวของเธอเอง เธอก็ต้องหาครูผู้มีความเข้าใจแตกฉานเรื่องสังสารวัตรแห่งชีวิตและความตายแต่ถ้าเขาก็ไม่ได้เห็นธรรมชาติของเขาเองบุคคลเช่นนั้นก็ไม่ใช่ครูเลยแม้ว่าเขาจะสามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้ก็ตามเขาก็ไม่สามารถจะหนีไปจากวงล้อแห่งสังสารวัตรนี้เขาก็คงทนทุกข์อยู่ในโลกทั้งสา โดยมิอาจปลดเปลื้องมันได้นานมาแล้วมีพิสุรูปหนึ่งสามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดแต่เขาก็ไม่สามารถนี้ออกไปจากวงล้อแห่งสังสารวัฏได้เพราะเขาไม่เคยเห็นธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองเปรียบกับพิสุรูปนี้แล้วผู้คนในปัจจุบันที่สามารถท่องพระสูตรได้เพียงเล็กน้อย และหลงคิดว่านี่คือการปฏิบัติธรรมช่างโงเ่เขลาเสียจริงถ้าเธอไม่เห็นจิตของเธอการท่องบนไปมากมายก็เปล่าประโยชน์เพื่อที่จะพบพุทธะสิ่งที่เธอจะต้องทำทั้งหมดก็คือสังเกตธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเธอเองธรรมชาติเดิมแท้ของเธอคือ พุทธะพุทธะก็คือผู้เป็นอิสระอิสระจากแบบแผนพิธีการอิสระจากความกังวลใดๆถ้าเธอไม่เห็นธรรมชาติของเธอเองแล้วยังวิ่งวุ่นไปทั้งวันเพื่อมองหาในที่อื่นๆเธอจะไม่มีทางได้พบพุทธะความจริงก็คือว่า ไม่มีสิ่งใดให้ค้นหาแต่เพื่อที่จะถึงมันและเข้าใจมันเธอจำเป็นต้องมีครูผู้เป็นกาลยานมิตรและต้องพยายามทำให้ตัวเธอเข้าใจวัตตะสงสารแห่งการเกิดตายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าทรมานอยู่กับมันอย่างไร้คุณค่ามันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะลวงหลอกตัวเอง แม้เธอจะมีเพชรเม็ดโตเท่าภูขเขามีบริวารมากมายดุดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเธอจะเห็นมันได้ก็ต่อเมื่อเธอลืมตาขึ้นมันจะเป็นอย่างไรถ้าดวงตาของเธอปิดเธอควรจะแจ้งชัดได้แล้วว่าทุกสิ่งที่เธอเห็นล้วนเป็นดังเช่นความฝันหรือภาพลวงตา ถ้าเธอไม่สามารถหาพบครูผู้เป็นกัลยาณมิตรได้เธอก็จะจมอยู่ในชีวิตนี้อย่างทุกข์ทรมานมันจริงอยู่ที่เธอมีธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะอยู่แล้วในตัวแต่ถ้าปราศจากความช่วยเหลือของครูเธอจะไม่สามารถรู้จักมันได้มีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่จะบรรลุแจ้งได้ด้วยตนเอง แม้กระนั้นด้วยเหตุปัจจัยอันหลากหลายบางคนสามารถเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงได้ในทันทีบุคคลเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยครูบุคคลเช่นนั้นมีธรรมชาติแห่งความตื่นแจ้งต่อคำสอนนั้นๆอย่างดียิ่งแล้วในตัวเอง หากเธอไม่ได้สร้างสมบรรมีมามากเช่นนั้นการพากเพียรศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังจากคําแนะนำสั่งสอนที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะทำให้เธอเข้าใจได้บุคคลผู้ไม่เข้าใจและหลงคิดว่าตนสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องศึกษาปฏิบัติมิได้ต่างอะไรกับคนหลงที่ไม่สามารถแยกสีขาวออกจากสีดํา บุคคลผู้เผยแผ่พุทธธรรมอย่างผิดๆถือว่ากำลังสบประมาทพระพุทธเจ้าและกำลังทำลายพระธรรมเขาแสดงธรรมราวกับฝนตกโปรยปลายแต่ล้วนเป็นการแสดงของมารหาใช่พุทธไม่ครูของเขาคือพญามารและเหล่าลูกศิษย์ก็คือสาวกมารทั้งหลายบุคคลผู้ถูกหลงหลอกด้วยคำสอนเหล่านั้น กลวนจมลงสู่ทะเลแห่งสังสารวัตยอย่างมิรู้ตัวถ้าไม่สามารถเห็นแจ้งในธรรมชาติเดิมแท้ของตนได้อย่างไรจึงจะเรียกว่าพุทธะเขาคือคนโกหกคนหลอกลวงบุคคลอื่นให้ตกลงไปสู่พพแห่งมารถ้าไม่สามารถเห็นแจ้งในธรรมชาติเดิมแท้ของตน การสาธยายพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากการสาธยายของมารเขาล้วนพักดีต่อมารหาใช่ต่อพระพุทธเจ้าไม่เมื่อไม่สามารถแยกแยะเขาวกับดำเขาจะหนีจากสังสารวัฏแห่งการเกิดตายได้อย่างไรใครที่เห็นธรรมชาติเติมแท้ของตนคือพุทธ ผู้ไม่เคยเห็นธรรมชาติของตนคือปุตตุชนแต่ถ้าเธอสามารถพบธรรมชาติแห่งพุทธะของเธอแตกต่างจากธรรมชาติแห่งความเป็นปุตุชนของเธอมันคือตรงไหนธรรมชาติแห่งความเป็นปุตุชนของเราก็คือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะของเรานอกไปจากธรรมชาตินี้แล้วก็ไม่ได้มีพุทธะพุทธะ ก็คือธรรมชาติของเราเองมันไม่ได้มีพุท ธ, ธะที่ไหนภายนอกธรรมชาตินี้และมันก็ไม่มีธรรมชาติใดภายนอกพุท ธ, ธะสมมุติว่ากระผมไม่สามารถเห็นธรรมชาติเดิมแท้ของกระผมได้กระผมยังจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการสวดอ้อนวอนต่อองค์พระพุทธเจ้า ทองบนพระสูตรสาการะบูชายอย่างดียิ่งปฏิบัติศีลและประกรอบกรรมดีอย่างมากมายได้หรือมไม่มีได้เลยทําไมไม่ได้เล่าครับถ้าเธอบรรลุถึงบางสิ่งบางอย่างด้วยการกระทําดังกล่าวมันล้วนเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งมันเป็นกรรมและมันมีผลให้เกิดวิบากตามมาเป็นวัตจักร ตราบใดที่เธอยังตกอยู่ในวัฏจักรเธอไม่มีทางที่จะบรรลุหลุดพ้นได้เพื่อจะบรรลุหลุดพ้นเธอจำต้องเห็นธรรมชาติเดิมแท้ของเธอเองถ้าเธอไม่สามารถเห็นธรรมชาติของเธอเองทุกสิ่งที่เราพูดกันมาเกี่ยวกับเหตุผลต่างๆล้วนไร้ความหมาย พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านล้วนไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไร้สาระพุทธอิสระแล้วจากกรรมทั้งปวงอิสระแล้วจากเหตุและผลการที่จะพูดว่าท่านได้บรรลุซึ่งบางสิ่งนั้นนั่นเป็นการกล่าวร้ายท่านแล้วอะไรล่ะที่ท่านบรรลุแม้จะเน้นเฉพาะที่จิตพลังความเข้าใจ ความเห็นก็ไม่ใช่สําหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในด้านใดด้านหนึ่งธรรมชาติของท่านโดยพื้นฐานแล้วว่างเปล่าไม่ใช่ทั้งบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ท่านอิสระแล้วจากการปฏิบัติและการเห็นแจ้งท่านอิสระนอกเหนือจากเหตุผลทั้งปวง พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องคอยระวังรักษาศีลท่านปราศจากแล้วจากการทำดีหรือทำชั่วท่านไม่ได้ขยันขันแข็งหรือเกียรติคร้านพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ไม่ได้ทำอะไรไม่แม้กระทั่งคอยจดจ้องมองหาพุทธในจิตของตนพระพุทธเจ้าหาใช่พระพุทธเจ้า่าได้คิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลย ถ้าเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดแสดงว่าเธอไม่ได้รู้จักจิตของเธอเลยบุคคลที่ไม่ได้เห็นธรรมชาติของตนแล้วจินตนาการไปเองว่าเขาสามารถปฏิบัติโดยการห้ามความคิดไว้ตลอดเวลาเขาช่างโกหกหลอกลวงและงโง่เขายิ่งนัก เขาเหมือนตกลงไปสู่ห้วงอวกาศที่ไร้ขอบเขตเขาเป็นเฉดเช่นคนเมาเขาไม่สามารถแยกแยะดีหรือชั่วถ้าเธอพยายามที่จะฝึกปฏิบัติเช่นนั้นเธอต้องเห็นธรรมชาติของเธอเองก่อนที่เธอจะสามารถระงับความคิดปรุงแต่งทั้งหลายได้การบรรลุธรรมโดยไม่เห็นธรรมชาติของเธอเอง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้ายังกระทำกรรมชั่วยอยู่โดยคิดว่ากรรมไม่มีผลหลงคิดว่าทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าการทำชั่วจึงไม่ผิดบุคคลเช่นนั้นย่อมตกลงไปสู่นรกอเวจีอย่างหมดทางที่จะช่วยเหลือบุคคลผู้ฉลาดจะไม่หลงคิดเช่นนั้นเด็ดขาด ถ้าในทุกๆขณะทุกๆสภาวะไม่ว่าเมื่อใดคือจิตทำไมเราไม่สามารถเห็นจิตนี้ได้เมื่อร่างกายตายลงจิตมีอยู่ตลอดเวลาเธอเพียงไม่เห็นมันเท่านั้นแต่ถ้าจิตมีอยู่ทำไมกระผมไม่เห็นมันเล่าครับเธอเคยฝันไหมล่ะเคยครับเวลาเธอฝัน นั่นเป็นเธอหรือใช่ครับเป็นตัวกระผมและเมื่อเธอกำลังทำงานหรือกำลังพูดมันแตกต่างไหมไม่ครับถ้ามันไม่แตกต่างแสดงว่าสิ่งนั้นคือร่างที่แท้จริงของเธอและร่างแท้จริงนี่แหละคือจิตของเธอและจิตนี้ มิได้เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอดเวลานับกับนับกันมันมิได้เคยอยู่หรือตายปรากฏหรือหายไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันมิได้ไม่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์มิใช่ดีหรือชั่วมิใช่อดีตหรืออนาคตมันมิใช่ถูกหรือผิดมันมิใช่หญิงหรือชาย มันไม่ได้เป็นทั้งพระหรือโยมแก่หรือเด็กบัณฑิตหรือคนโง่เขลาปุถะหรือปุตุชนมันเพียงโดยไม่ได้เพื่อรู้แจ้งหรือพ้นทุกข์และโดยไม่ได้เป็นกรรมมันไม่ได้มีความแข็งแกรง่งหรือมีรูปร่างมันเหมือนความว่างถือไม่สามารถจะมีมันได้และมิอาจจะเสียมันไป การเคลื่อนไหวของมันไม่อาจถูกกั้นด้วยภูเขาสูงแม่น้ำหรือกำแพงหินพลังของมันยิ่งใหญ่สามารถทะลุทะลวงภูเขาแห่งขันทั้งห้าและข้ามแม่น้ำแห่งสังสารวัตรได้ไม่มีกำใดที่จะกักขังจองจำกายที่แท้จริงนี้ได้ จิตนี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนลึกลับและเห็นได้ยากมันไม่ใช่สิ่งเดียวกับประสาทรับรูส้สัมผัสหลายคนต้องการเห็นจิตนี้บุคคลผู้ขยับแขนขาของตนตามอํานาจของจิตมีมากมายดุดเม็ดทรายในแม่น้ําคงคาแต่เมื่อเธอถามพวกเขาเขามิอาจจะอธิบายได้เลยแม้แต่น้อยเขาเป็นเหมือนหุ่นกระบอก มันอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อใช้ประโยชน์แต่ทำไมเขาไม่อาจเห็นมันเล่าพระพุทธองค์กล่าวว่ามนุษย์เหล่านี้ล้วนตกอยู่ในความหลงนี่เป็นเหตุว่าทำไมเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ตกลงไปสู่กระแสะแห่งสังสารวัฏและเมื่อพวกเขาพยายามที่จะออกมา เขากลับยิ่งจมลงลึกขึ้นทั้งหมดแล้วก็เพราะพวกเขาไม่เห็นธรรมชาติแท้ของตนถ้ามนุษย์เราไม่ตกอยู่ในความหลงทำไมเขาจึงถามถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาเล่าไม่มีใครเลยที่เข้าใจการเคลื่อนไหวของมือและเท้าของตน พระพุทธองค์ท่านมิได้ผิดพลาดคนหลงมิได้รู้จักว่าเขาคือใครมีบางสิ่งที่ยากเกินไปที่จะเข้าใจได้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงรู้มีแต่บัณฑิตผู้ฉลาดเท่านั้นที่รู้จักจิตนี้จิตนี้ถูกเรียกว่าธรรมชาติเดิมแท้บ้างจิตอิสระบ้างไม่ว่าชีวิต หรือความตายไม่สามารถกักขังจิตนี้ไว้ได้ไม่มีสิ่งใดเลยบางครั้งมันถูกเรียกอีกว่าตถาคตผู้ไม่อาจหยุดยั้งได้ผู้เข้าใจได้ยากผู้ศักดิ์สิทธิ์ล่วงละเมิดไม่ได้ผู้มีรู้จักตาย ปราดผู้ยิ่งใหญ่ชื่อของมันนั้นมีมากมายแต่ก็มีช่แก่นสารสำคัญของมันพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็แปลเปลี่ยนเช่นกันแต่ไม่มีพระองค์ไหนเลยที่จะทอดทิ้งจิตแท้ของตนศักยภาพของจิตนั้นไรขอบเขตและปรากฏออกมาได้ไม่สิ้นสุดโดยการเห็นที่ตาของเธอ การได้ยินที่หูของเธอการได้กลิ่นที่จมูกของเธอการรับรสที่ลิ้นของเธอทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวหรือสภาวะใดๆนี่ก็คือจิตของเธอทั้งนั้นและทุกๆขณะที่ภาษามิอาจบรรยายได้ก็คือจิตนี่เอง พระสูตรกล่าวว่ารูปลักษ์ของตถาคตมีได้ไม่สิ้นสุดรวมทั้งความตื่นแจ้งของท่านด้วยอ้างอิงความตื่นแจ้งหมายถึงสภาวะแห่งความตื่นตัวทั่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะและมีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการตามความเป็นจริง พร้อมทั้งการปล่อยวางอย่างอิสระโดยไม่ได้ยึดติดในปรากฏการณ์นั้นความพลันแปลยังไม่สิ้นสุดนี้เนื่องมาจากจิตมันมีความสามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะในการเคลื่อนไหวหรือในสภาวะใดมันคือความตื่นรู้ของจิตแต่จิต ก็ไม่มีรูปร่างและความตื่นรู้ของมันไร้ขอบเขตดังนั้นจึงกล่าวว่ารูปร่างของตถาคตมีได้ไม่สิ้นสุดรวมทั้งความตื่นแจ้งของท่านด้วยรูปกายอันประกอบด้วยธาตุสี่เป็นสิ่งที่ทนทุกข์รูปกายนี้เป็นมูลเหตุแห่งการเกิดและตาย แต่กายที่แท้จริงมีอยู่โดยปราศจากการมีอยู่เพราะว่ากายจริงของตถาคตมิเคยแปรเปลี่ยนพระสูตรกล่าวว่าบุคคลควรจะแจ้งชัดว่าธรรมชาติแท้แห่งความเป็นพุท ธ, ธานั้นคือบางสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วตลอดเวลาซึ่งท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่แจ้งชัดสิ่งนี้ด้วยตนเอง ธรรมชาติของเราคือจิตหนึ่งนี้และจิตหนึ่งนี้ก็คือธรรมชาติของเราและธรรมชาตินี้ก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันกับจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตก็ล้วนแต่ทายทอดจิตหนึ่งนี้นอกไปจากจิตหนึ่งนี้มันไม่ได้มีพระพุทธเจ้าในที่ใดอีกเลย คนหลงทั้งหลายไม่ได้เห็นแจ้งชัดว่าจิตของเขาเหล่านั้นนั่นแหละคือพุทธะพวกเขายังคงค้นหาจากภายนอกพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะอ้อนวอนขอหรือสักการะบูชาต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพระองค์ท่านอยู่ที่ใดอย่าได้ตกจมลงไปในความหลงเช่นนี้เลย เพียงแค่รู้จักจิตของตนนอกไปจากจิตของเธอแล้วมันไม่ได้มีพุทธะที่ไหนอีกพระสูตรกล่าวไว้ว่าทุกๆสิ่งที่มีรูปลักษ์ล้วนเป็นมายาและยังบอกอีกว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดที่นั่นแหละคือพุทธะจิตของเธอคือพุทธะ อย่าได้ใช้พุทธะไปสักการะบูชาพุทธะเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ก็ล้วนจะปรากฏต่อหน้าเธอในทันใดมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องบูชาอ้อนวอนหรอกจิตของพวกเธอนั้นว่างเปล่าและไร้รูปร่างบุคคลผู้ยึ ติดอยู่ในรูปลักษ์คือมารเมื่อเขาหลุดออกนอกทางแล้วทำไมต้องสักการะบูชาสิ่งมายาทั้งหลายที่เกิดจากจิตเล่าบุคคลผู้บูชาล้วนไม่ได้รู้ผู้ที่รู้จะไม่บูชาด้วยการบูชาเธอกำลังตกอยู่ภายใต้เวทมนต์ของมาร ฉันชี้ให้เห็นเพราะฉันเกรงว่าเธอจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ธรรมชาติพื้นฐานของพุท ธ, ธานั้นไร้รูปร่างเช่นนั้นจำไว้ให้ดีแม้ว่าบางสิ่งที่แปลกประหลาดอาจเกิดขึ้นอย่าได้ยึดถือมันเลยและอย่าได้กลัวมันและอย่าได้สงสัยเลยจิตแท้ของเธอนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยพื้นฐานตรงไหนละ่ะ จะมีที่ว่างสำหรับรูปรักษ์เช่นนั้นแม้การปรากฏของพุทผีปีศาจหรือเทพเทวดาทั้งหลายก็ไม่ต้องเคารพหรือหวาดกลัวจิตแท้ของเธอว่างเปล่าอยู่แล้วปรากฏการทั้งหลายล้วนเป็นมายายังได้ยึดติดในปรากฏการทั้งหลายเลยเมื่อเธอแจ้งต่อพระพุทธพระธรรม หรือพระโพธิสัตว์และคิดที่จะเคารพ บ, บูชาท่านเธอกำลังผลักไสตนเองให้ตกไปสู่ภพภูมิแห่งปุตุชนถ้าเธอเข้าใจอย่างชัดแจ้งจงอย่าได้ยึดติดต่อรูปลักษณ์และปรากฏการทั้งหลายไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเธอจะประสบความสำเร็จฉันไม่มีคำแนะนำใดๆอีก ประสูตร์กล่าวว่าปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนเป็นมายามันมิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างถาวรและมีรูปลักษ์ที่แน่นอนมันไม่คงที่จงอย่าได้ยึดติดในปรากฏการ์ใดๆเลยแล้วเธอก็จะเป็นจิตหนึ่งเดียวกับพุทธะประสูตร์กล่าวว่าผู้ที่อิสระจากรูปรักษ์ทั้งหลาย คือพระพุทธเจ้าแต่ทำไมพวกเราไม่ควรสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเล่ามารและปีศาจควบคุมพลังแห่งปรากฏการณ์พวกมันสามารถสร้างโพธิสัตว์ได้หลากหลายรูปลักษณ์แต่มันผิดพลาดมีได้มีองค์ใดเลยที่เป็นพุทธจริงพุทธที่แท้ คือจิตแท้ของเธอเองอย่าได้เคารพบูชาผิดที่เลยคำว่าพุท ธ, ธะในภาษาสันสกฤตหมายถึงความตื่นรู้อ้างอิงความตื่นรู้หมายถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ประกอบด้วยปัญญา เข้าใจปรากฏการ์ทั้งหลายที่ปรากฏในปัจจุบันขณะนั้นตามความเป็นจริงตื่นรู้อย่างอัศจรรย์การโต้อตอบการรับรู้ยักคิ้วกระพริบตาการขยับมือและเท้ามันคือธรรมชาติแห่งความตื่นรู้อันอัศจรรย์ของเธอและธรรมชาตินี้คือจิตจิตคือพุทธ พุทธะคือทางทางนั้นและทางทางนั้นคือเสน้นอ้างอิงเส้นเป็นทั้งมัคและผลในตัวมันเองในฐานะมัคเส้นเป็นวิปัสสนาอันละเอียดลึกซึ้งเป็นทางสายกลางที่สมบูรณ์เป็นมัคที่เน้นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นสําคัญ วิธีการของเซนเป็นจุดรวมของศีลสมาธิปัญญาอยู่ในขณะเดียวกันในฐานะผลเซนหมายถึงภาวะแห่งการปล่อยวางและวิมุติภาวะตามธรรมชาติผู้เรียบเรียงแต่คำว่าเซน ก็ดูจะเป็นสิ่งที่สับสนอยู่สำหรับปุตุชนและนักปราชการเห็นธรรมชาติของเธอนั่นลหละคือเซนหากเธอไม่ได้เห็นธรรมชาติแท้ของเธอมันไม่ใช่เซนแม้ว่าเธอจะสามารถอธิบายพระสูตรได้มากมายหากเธอไม่เห็นธรรมชาติของเธอเองคําสอนของเธอก็เป็นเพียงของปุตุชนหาใช่พุทธไม่ ทางที่แท้จริงนั้นประเสริฐลึกซึ้งยิ่งนักมันมิสามารถอธิบายได้ด้วยภาษาใดๆแล้วคำพีต่างๆจะมีประโยชน์อันใดเล่าแต่บุคคลผู้ที่สามารถแจ้งชัดในธรรมชาติแท้ของตนได้จะพบทางทางนั้นแม้ว่าเขาจะอ่านหนังสือไม่ออกก็ตาม บุคคลที่เห็นแจ้งในธรรมชาติแท้ของตนคือพุทธะและเพราะว่ารูปกายของพุทธะนั้นบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งมัวหมองอยู่แล้วในตัวเองทุกสิ่งที่เขาพูดจึงล้วนแสดงออกมาจากจิตซึ่งมีพื้นฐานแห่งความว่างพุทธะไม่สามารถจะพบได้ในภาษาหรือที่ไหนๆก็ตามในพระไตรปิฎก ทางทางนี้สมบูรณ์อยู่แล้วในตัวมันเองมันไม่ต้องไปทำให้สมบูรณ์อีกทางทางนี้ไร้รูปและเสียงมันเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจยากมันคล้ายกับเวลาเธอดื่มน้ำเธอจะรู้เองว่ามันร้อนหรือเย็นแค่ไหนแต่เธอไม่สามารถบอกใครได้มีเพียงตถาคตเท่านั้น ที่ทรงทราบว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายล้วนยังคงไม่มีความตื่นรู้ความรู้สึกตัวของปุถุชนนั้นสั้นตราบใดที่พวกเขายังยึดติดกับปรากฏการณ์ทั้งหลายเขาก็จะไม่สามารถตระหนักรู้เลยว่าจิตเดิมแท้ของพวกเขานั้นว่างเปล่าอยู่เสมอและเมื่อพวกเขาพลาดไปยึดถือปรากฏการณ์ น, นั้นเขา้า เขาก็หลงออกนอกทางหากเธอรู้ว่าทุกๆสิ่งล้วนมาจากจิตก็อย่าปิดยึดติดกับมันเลยเมื่อยึดติดมันก็จะขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่เมื่อใดเธอเห็นธรรมชาติของเธอเองเพระาะไตรปิฎกทั้งหมดก็กลายเป็นของธรรมดาธรรมดาไปพระสูตรนั้นมันเป็นเพียงเครื่องทำให้จิตเกิดความเข้าใจ ความเข้าใจซึ่งล้วนมาจากคำพูดและภาษาเป็นสื่อคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นจะดีอย่างไรเล่าศัจธรรมความจริงอยู่นอกเหนือคำพูดและภาษาคำสอนทั้งหลายล้วนคือคำพูดและภาษามันไม่ใช่ทาง ทางทางนี้ไร้ภาษาหรือคำพูดใดๆที่จะบรรยายภาษาเป็นเพียงมายามันไม่ได้มีความแตกต่างไปเลยจากความฝันของเธอจะเป็นพระราชวังหรือราชรถวรรณอุทยานหรือศาลาริมทะเลสาบอย่าได้ไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเลยมันล้วนเป็นเครื่องล่อให้เธอกลับมาเกิดอีกทั้งสิ้น จงจำสิ่งนี้ให้ดีเมื่อเธอต้องเผชิญกับความตายอย่าได้ยึดติดกับปรากฏการ์ทั้งหลายแล้วเธอจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ในขณะที่เธอสงสัยลังเลเธอกำลังตกอยู่ภายใต้เวทมนต์ของปีศาจกายที่แท้จริงของเธอนั้นบริสุทธิ์ และไม่อาจถูกรบกวนได้แต่เพราะโมหะความหลงเธอจึงลืมที่จะตระหนักรู้ถึงมันและเพราะสิ่งนี้เองเธอจำต้องทนทุกข์กับกรรมอย่างไร้ประโยชน์เมื่อใดที่เธอมีความพอใจยินดีต่อสิ่งใดเธอจะตกเป็นท่าต่อสิ่งนั้นแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นต่อกายและจิตเดิมแท้ของเธอ เธอก็จะถูกปลดจากความยึดติดทั้งปวงบุคคลผู้สิ้นหวังต่อการอยู่เหนือโลกคือผู้ที่ปล่อยตัวมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันหลากหลายได้ชื่อว่าปุถุชนพุทธคือผู้ที่อิสระแล้วจากโชคดีและโชคร้ายนั่นคือพลังอำนาจของท่านที่วิบากกรรมทั้งหลายจะมีผลต่อท่านไม่ได้ ไม่ว่ากรรมชนิดใดพุทธะจะแปลเปลี่ยนมันสวรรค์หรือนรกก็ไม่มีความหมายต่อท่านแต่พลังแห่งความตื่นรู้ของปุถุชนช่างริบรี่เมื่อเทียบกับของพุทธะที่สามารถทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในถ้าเธอไม่แน่ใจอย่าได้กระทำการอันใดเลย ทันใดที่เธอกระทำบางสิ่งบางอย่างเธอก็ได้ท่องไปในวัฏสงสารแห่งการเกิดตายและความเศร้าเสียใจอย่างไร้ที่พึ่งความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายล้วนเกิดจากการคิดผิดเพื่อจะให้เข้าใจจิตหนึ่งนี้เธอจำเป็นต้องกระทำโดยไร้การกระทำมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เธอ จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจากมุมมองของตถาคตได้เมื่อเธอเริ่มเดินทางในทางความตื่นรู้ของเธอจะไม่ถูกเน้นเด่นชัดมันเหมือนกับการเห็นพร้อมๆกันหลายๆอย่างเป็นภาพที่ประหลาดคล้ายความฝันเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาพเหล่านั้นล้วนมาจากจิตของเธอเองไม่ใช่อื่นใด หากในฝันเธอเห็นแสงสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ความยึดติดที่ยังคงอยู่ของเธอกําลังจะหมดไปและความจริงกําลังจะปรากฏนี่เป็นพื้นฐานของการรู้แจ้งเห็นจริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่เธอรู้เพียงผู้เดียวเธอมิอาจอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้หากในขณะที่เธอยือนเดินนั่ง นอนอยู่ในคืนอันเงียบสงัดทุกสิ่งทุกอย่างกลับปรากฏชัดราวกับเวลากลางวันย่าได้ตกใจจิตของเธอกำลังเริ่มเปิดเผยตัวมันเองหากในขณะที่เธอฝันยามกลางคืนเธอเห็นพระจันทร์และดวงดาวสุกสดใส มันหมายความว่าการทำงานของจิตของเธอใกล้จะจบสิ้นแล้วแต่อย่าได้บอกผู้อื่นและถ้าหากความฝันของเธอไม่ชัดเจนคล้ายกับเธอเดินอยู่ในที่มืดนั่นเป็นเพราะจิตของเธอถูกหุ้มห่อด้วยความระแวดระวังนี่ก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่รู้เฉพาะเธอเท่านั้นถ้าเธอเห็นธรรมชาติของเธอเธอก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอ่านพระสูตรหรืออ้อนวอนขอพระพุทธเจ้าความรู้เหล่านั้นไม่เพียงแต่จะไม่มีประโยชน์แต่จะยังปกคลุมเบียดบังความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเธอคําสอนเป็นเพียงสิ่งที่ชี้ไปสู่จิต ถ้าเธอเห็นจิตของเธอแล้วทำไมจะต้องสนใจคำสอนอีกเล่าการก้าวล่วงจากปุถุชนเป็นพุทธะเธอจำต้องหยุดวิธีแห่งกรรมทั้งปวงถนุถนอมความรู้สึกตัวของเธอให้ดีและยอมรับทุกๆอย่างในชีวิต ถ้าหากเธอเป็นคนที่โกรธง่ายธรรมชาตินั้นจะขวางกั้นทางของเธอมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะลวงหลอกตัวเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอิสระแล้วจากการเกิดการตายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นได้ตามตั้งใจกรรมมีอาจมีผลต่อท่านมารและปีศาจมีอาจชนะท่านได้ ทันทีที่ปุทุชนเห็นธรรมชาติของเขาอุปาทานความยึดติดทั้งหลายก็จบสิ้นลงความตื่นรู้ไม่ได้ถูกซ่อนเร้นอีกต่อไปแต่เธอสามารถจะพบมันได้ในขณะนี้เท่านั้นถ้าหากเธอต้องการจะพบทางทางนั้นจะได้ยึดติดกับสิ่งใดเลย ทีที่เธอหยุดวิถีแห่งกรรมและทนุถนอมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเธอให้ดีอุปทานความยึดติดที่ยังเหลืออยู่ก็จบสิ้นลงความเข้าใจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้ต้องพยายามอันใดความคลั่งไคล้ทั้งหลายจะทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะหมายถึงและยิ่งพวกเขาพยายามมากเท่าใด เขาก็ยิ่งห่างไกลไปจากความหมายนั้นมากเท่านั้นตลอดวันทั้งวันพวกเขาอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าและท่องบนพระสูตรแต่พวกเขาก็ยังคงมืดบอดต่อธรรมชาติอันศักดิก์สิทธิ์ของเขาเองและเขาไม่อาจหลุดออกมาจากสังสารวัตได้เลยพระพุทธองค์ท่านเป็นบุคคลผู้วางเฉย ท่านมิได้วิ่งไปตามโชคลาภและเกียรติยศของโลกสิ่งเหล่านั้นมันมีดีอะไรเล่าบุคคลผู้มิได้เห็นธรรมชาติของตนและหลงคิดว่าการท่องพระสูตรการสวดอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าการขยันศึกษาอย่างมากมายฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัทงทั้งเช้าและคำ่ำ การไม่ยอมนอนพักหรือคิดว่าการมีความรู้แตกฉานมากมายคือธรรมะเขาเหล่านั้นล้วนสพประมาทพระธรรมพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตล้วนแต่พูดถึงการเห็นแจ้งต่อธรรมชาติของเธอเองการปฏิบัติทั้งหลายล้วนไม่แน่นอนหากไม่ได้เห็นธรรมชาติของตนแล้ว บุคคลผู้บอกว่าตนได้บรรลุหลุดพ้นแล้วนั้นล้วนโกหกในหมู่อัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระอานนุนได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เรียนมากสดับฟังมากแต่ท่านก็มิอาจรู้แจ้งในพุทธได้ทั้งหมดที่ท่านทำคือศึกษาเล่าเรียน และจดจำผู้ที่พยายามที่จะปฏิบัติให้เป็นพระอาหารหันต์ก็มีได้รู้แจ้งในพุทธสิ่งที่พวกเขากระทำคือการพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อจะปฏิบัติให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงและพวกเขาก็ติดกับดักของเหตุและผลการกระทำเช่นนั้นมิได้ต่างอะไรกับการก่อกรรมของปุถุชนเลย ซึ่งไม่มีทางที่จะหลุดพ้นออกมาจากวัตฏสงสารแห่งการเกิดตายได้บุคคลผู้กระทาตรงกันข้ามกับเป้าหมายที่ตนตั้งไว้บุคคลเช่นนั้นดูหมิ่นพระพุทธเจ้าการกำจัดอ้างอิงการกำจัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำร้าย หรือค่าทิ้งเสียแต่หมายถึงการตัดโอกาสที่จะช่วยเหลือทางธรรมแก่เขาอีกเพราะเป็นการยากมากที่พวกเขาจะยอมแก้ไขความเห็นสลายทิฏฐิมานะของตนผู้เรียบเรียงการกำจัดบุคคลผู้หลงผิดเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งไม่ผิด พระสูดกล่าวไว้ว่าพวกฉันติกะวงเล็บมิชาทิฏิวงเล็บปิดไม่สามารถจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้การกำจัดพวกหลงผิดเช่นนี้ย่อมไม่ผิดในขณะที่บุคคลผู้เลื่อมใสศรัทธายา่ยอมมีโอกาสเข้าถึงพุทธภาวะได้ถ้าเธอไม่เห็นแจ้งในธรรมชาติของเธอเองเธอไม่ควรจะไปเพ่งโทษ หรือวิพากวิจารความดีของผู้อื่นมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะหลอกตัวเองความดีและความชั่วเป็นสิ่งที่แยกจากกันเหตุและผลเป็นสิ่งจมชัดสวรรค์และนรกปรากฏแล้วต่อหน้าเธอแต่ผู้โง่เขลาไม่ยอมเชื่อเขาจึงกระโดดเข้าไปสู่นรกที่มืดมิดโดยไม่รู้ตัวเลย สิ่งที่กั้นพวกเขาจากความเชื่อคือกระแสกรรมอันหนักหน่วงของพวกเขาเองพวกเขาเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ไม่ยอมเชื่อว่ามันมีแสงสว่างอยู่ไม่ว่าเธอจะพยายามอธิบายเพียงไรพวกเขาก็ยังคงไม่เชื่อเพราะว่าพวกเขาตาบอดแล้วพวกเขาก็จะแยกแยะแสงสว่างได้อย่างไร เชเช่นผู้โง่เขลาที่ต้องเกิดในภูมิชั้นต่าที่น่าสงสารและทุกข์เข็นพวกเขาไม่อาจอยู่หรือตายได้ตามต้องการถึงแม้จะทุกข์ทรมานอย่างไรหากเธอถามพวกเขาเขากลับจะบอกว่าเขามีความสุขไม่ต่างจากพระเจ้าเลยทีเดียวปุตุชนทั้งหลายหรือแม้แต่พวกที่คิดว่าตนเกิดมาดีแล้ว ก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือขาดความตระหนักรู้ในสัจธรรมที่แท้จริงเพราะว่ากระแสกรรมอันหนักหน่วงของพวกเขาเองเขาจึงไม่สามารถจะบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสและไม่สามารถอิสระได้บุคคลที่เห็นแจ้งว่าจิตของตนคือพุทธะไม่จำเป็นต้องโกนศรีรษะคารวาทั่วไปก็คือพุทธะเช่นกัน หากเขาไม่เห็นธรรมชาติของเขาแม้กวนสีสะก็เป็นเพียงพวกคลั่งคล้าธรรมดาธรรมดานั่นเองถ้าฆรวาสที่มีครอบครัวยังเสพกามอยู่เขาจะเป็นพุทธะได้อย่างไรฉันเพียงพูดเฉพาะเรื่องการเห็นแจ้งในธรรมชาติของเธอเองฉันไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเสพกาม ธรรมดาอยู่หรอกเพราะเธอไม่ได้เห็นธรรมชาติของเธอเองหากเธอเห็นธรรมชาติของเธอเองเรื่องการเสพกามก็เป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่เธอไปยินดีกับมันเองแม้ว่าบางพฤติกรรมจะยังคงอยู่มันจะทําอะไรให้เธอเดือดร้อนไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของเธอนั้นโดยเนื้อแท้แล้วบริสุทธิ์ แม้ว่าจะอาศัยอยู่กับกายนี้อันเป็นธาตุทั้งสพื้นฐานของธรรมชาติของเธอก็บริสุทธิ์มันไม่สามารถจะหม่นมองไปได้กายแท้ของเธอไม่มีความรู้สึกไม่มีความหิวหรือกระหายไม่มีร้อนหรือหนาวไม่มีเจ็บป่วยไม่มีรักหรือยึดติดไม่มีพอใจหรือเจ็บปวดไม่มีดีหรือชั่ว ไม่มีสั้นหรือยาวไม่มีอ่อนแอหรือเข้มแข็งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงเพราะเธอหลงยึดติดในตัวตนที่มันหิวหรือกระหายมันร้อนหรือที่มันหนาวหรือที่มันมีความเจ็บป่วยปรากฏขึ้นเท่านั้นเองทันใดที่เธอหยุดการยึดติดการปล่อยให้มันเป็นของมันเอง เธอจะอิสระแม้กระทั่งจากความเกิดและตายเธอจะแปลเปลี่ยนทุกๆอย่างเธอจะมีพลังจิตที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เธอจะสุขสงบสันติไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดหากเธอยังสงสัยลังเลในสิ่งนี้เธอจะยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ เช่นนั้นแล้วเธอไม่ควรจะกระทำอะไรเลยหากเธอกระทำเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปจากวัฏจักรแห่งการเกิดตายได้แต่หากเธอเห็นแจ้งในธรรมชาติของเธอเธอก็คือพุทธะแม้ว่าเธอจะเป็นคนฆ่าสัตว์ก็ตามแต่คนฆ่าสัตว์ก็กรกมโดยการฆ่าสัตว์มากมายเขาจะเป็นพุทธะได้อย่างไร ฉันเพียงแต่พูดเรื่องการเห็นแจ้งในธรรมชาติของเธอเองฉันมิได้พูดถึงเรื่องการก่อกรรมการไม่ยึดติดอยู่ในสิ่งที่เรากระทำกรรมของเราก็ไม่อาจมีผลกับเราได้ตลอดเวลานับกลับกันเพราะว่าบุคคลไม่เห็นแจ้งในธรรมชาติของตนพวกเขาเหล่านั้นจึงต้องตกนรกตลอดเวลาที่บุคคลก่อกรรม เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแห่งการเกิดตายแต่หากได้เห็นแจ้งในธรรมชาติเดิมแท้ของตนเขาจะหยุดสร้างกรรมถ้าหากเขาไม่เห็นแจ้งในธรรมชาติของตนการอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าเท่าไรเท่าไรก็ไม่สามารถพ้นจากวิบากแห่งกรรมนั้นไปได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนฆ่าสัตว์หรือไม่ แต่หากเขาเห็นธรรมชาติของเขาข้อสงสัยทั้งหมดเป็นอันจบสิ้นลงแม้จะเป็นกรรมของคนฆ่าสัตว์ก็ยังไม่สามารถมีผลได้ในประเทศอินเดียพระสังฆปรินายกองค์ที่27ได้ถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิตแก่ฉัน และเหตุผลเดียวที่ฉันเดินทางมาจีนก็เพื่อถ่ายทอดคำสอนแบบฉับพลันของมหายานจิตนี่ล่ละคือพุทธฉันมิได้พูดเรื่องศีลการบูชาหรือการบำเพ็ญตบะเช่นลุยน้ำลุยไฟการเดินไปบนมีดการกินอาหารวันละมื้หรือการอดนอน ซึ่งล้วนเป็นการซ้อนแบบงมงายขาดเหตุผลเป็นความคลั่งคลายและสร้างภาพเพียงชั่วคราวทันทีที่เธอสามารถรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของเธอมีความตตินรู้ตามธรรมชาติขณะนั้นจิตของเธอคือจิตของพุทธพระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตล้วนพูดแต่เรื่องการถ่ายทอดจิตหนึ่งนี้เท่านั้น ท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นถ้ามีใครเข้าใจคำสอนนี้แม้การอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็คือพุท ธ, ธะถ้าเธอไม่แจ้งในธรรมชาติแห่งความตื่นรู้อันอัศจรรย์นี้ของเธอเองเธอจะไม่มีทางได้พบพระพุทธเจ้าแม้เธอจะแยกกายของเธอออกเป็นผุยผงก็ตาม พุทธคือกายที่แท้จริงของเธอคือจิตเดิมแท้ของเธอจิตนี้ไม่มีรูปร่างลักษณะไม่มีเหตุและปัจจัยปรงแต่งได้ไม่มีกระดูกหรือเอ็นมันคล้ายกับความว่างเธอไม่สามารถจะจับมันได้มันไม่ใช่จิตของพวกวัตถุนิยมหรือพวกนัตถิกะทิฏฐิอ้างอิง นัิกะทิฏฐิหมายถึงความเห็นว่าไม่มีเช่นเห็นว่าผลบุญผลบาปไม่มีบิดามารดาไม่มีความดีความชั่วไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์พระธรรมปิฎกปออประยุตโต พวกนัธิกะทิฐินอกจากตถาคตแล้วไม่มีใครอื่นไม่มีปุตุชนหรือสัตว์โลกผู้หลงไหนไหนจะแจ้งชัดต่อมันได้แต่จิตหนึ่งนี้ก็มีใช่อยู่ในที่ใดที่หนึ่งภายนอกรูปกายอันประกอบด้วยธาตุสีนี้เลยถ้าปราศจากจิตนี้เราก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ร่างกายที่ไม่มีความรู้สึกเฉดเช่น พืชหรือก้อนหินรูปกายของมันไม่มีธรรมชาติอันนี้แล้วมันจะเคลื่อนไหวได้อย่างไรมันเป็นจิตต่างหากที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภาษาและพฤติกรรมการรับรู้และความคิดเห็นล้วนเป็นหน้าที่การทำงานของจิตที่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทั้งหลายคือการเคลื่อนไหวของจิต การเคลื่อนไหวคือหน้าที่การทำงานของมันหากไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็ไม่มีจิตและหากไม่มีจิตมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวไม่ใช่จิตและจิตก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวโดยพื้นฐานแล้วปราศจากจิตและจิต โดยพื้นฐานแล้วก็ปราศจากการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวจะไม่มีหากไม่มีจิตและจิตจะไม่มีหากไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีจิตที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ต่างหากออกมาและไม่มีการเคลื่อนไหวที่จิตอยู่ต่างหากออกมาการเคลื่อนไหวเป็นหน้าที่การทำงานของจิต และหน้าที่การทำงานของมันก็คือการเคลื่อนไหวของมันแต่แม้กระนั้นจิตก็ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือทำหน้าที่อันใดเพราะว่าโดยธรรมชาติแท้ของหน้าที่ของจิตคือความว่างและความว่างโดยธรรมชาติแท้ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเหมือนกับจิตและจิตโดยธรรมชาติแท้แล้วปราศจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นพระสูตรจึงสอนพวกเราให้เคลื่อนไหวโดยปราศจากการเคลื่อนไหวเดินทางโดยปราศจากการเดินทางมองโดยปราศจากการมองหัวเราะโดยปราศจากการหัวเราะฟังโดยปราศจากการฟังรู้โดยปราศจากการรู้มีความสุขโดยปราศจากการมีความสุขเดิน โดยปราศจากการเดินยืนโดยปราศจากการยืนพระสูตรยังกล่าวอีกว่านอกเหนือภาษานอกเหนือความคิดโดยพื้นฐานแล้วการเห็นการได้ยินการรู้มันล้วนว่างโดยสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวมันเองความโกรธความร่าเริงยินดีความเจ็บปวดของเธอ คล้ายกับของหุ่นกระบอกเธอสามารถหามันได้แต่เธอจะไม่อาจพบอะไรเลยจากพระสูตรแสดงให้เห็นว่าการกระทำชั่วมีผลให้เกิดความทุกข์ยากลำบากการทำดีมีผลให้เกิดความสุขสบายใจคนมักโกรธจะลงนรก คนมีจิตใจดีมีความสุขจะขึ้นสวรรค์หากเธอรู้จักว่าธรรมชาติของความโกรธและความร่าเริงยินดีแท้จริงนั้นล้วนว่างเปล่าและเธอปล่อยวางมันเธอจะอิสระจากกรรมหากเธอไม่เห็นธรรมชาติของเธอการอ้างพระสูตรก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันควรที่จะดำเนินในทางของฉันต่อไป แต่คำสอนที่แสดงไว้แล้วนี้ของฉันควรจะถูกนำไปปฏิบัติ